อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ174 1. งิภิกษุผู้ให้แก่ภิกษุณีที่เป็นญาติ2อภิกษุแรกคือเอาจีวรราคาถูกแลกจีวรราคาแพงหรือจีวรราคาแพงแลกจีวรราคาถูก 3. าภิกษุเจ้าของจีวรที่ภิกษุณีถือวิสาสะเอาไป4ีภิกษุเจ้าของจีวรที่ภิกษุณีขอยืมไป5้ภิกษุให้บริการอื่นนอกจากจีวร 6. ภพิกษุให้แก่สิกขามานา 7. ภพิกษุให้แก่สมณ น, นรี 8. ภพิกษุวิกลจริต 9. ภพิกูุต้นบัญญัติจิราทานสิกขาบทที่5จบ